ถ้ากิเลสเกิดแล้วเรารู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ไม่เดือดร้อนด้วยวงเล็บเปิดสมสิบมีนาคม25งพห้าเอ็ดในวงเล็บสองจุดจุดนาทียี่ิห้าวงเล็บปิดถ้ากิเลสเกิดอย่าไปเกลียดมันกิเลสเกิดเราก็ดูไปเรื่องของจิตมันมีกิเลสไม่ใช่เรื่องของเราดูอย่างนี้นะ ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนด้วยเพราะเราคิดว่าจิตนี้คือตัวเรากิเลสมาเราเลยเกลียดมันเวลาเราเห็นกิเลสเนี่ยเราเห็นเหมือนเรานั่งอยู่ในบ้านสบายๆเห็นเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปเกลียดเขาดูเฉยๆถ้าเราดูเฉยๆเหมือนที่เราดูจิตว่าจิตมันตื่นมาก่อนร่างกายจิตจะเบิกบานค่อยฝึกเอานะ